ลงทายความสุขที่สมบูรณ์ดูอย่างไรทีนี้ก็มาถึงลักษณะของความสุขอย่างสูงสุดซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาผู้สรุปรวบรัดทีเดียวก็คือนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหรือเป็นความสุขที่สูงสุดตอนนี้ เมื่อพัฒนาความสุขจนมาแตะหรืออ้างอิงพาดพิงถึงความสุขอย่างสูงสุดแล้วก็ควรจะรู้ว่าความสุขสูงสุดมีลักษณะอย่างไรเพื่อจะเอาไว้ใช้ตรวจสอบความสุขของเราว่าเข้าในแนวทางที่ถูกต้องไหมมีทางที่จะพัฒนาดีขึ้นไปได้ไหมอย่างน้อยก็จะได้ใช้เป็นแนวในการปรับปรุงความสุขของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นมีคุณให้มาก มีโทษให้น้อยแล้วตัวเราเองก็จะปฏิบัติต่อความสุขที่มีอยู่ได้ถูกได้ดีขึ้นด้วยลักษณะง่ายๆของความสุขอย่างสูงสุดหรือความสุขสมบูรณ์ที่พอจะปรากฏออกมาให้พูดถึงได้ก็คือ 1. เป็นสุขตลอดเวลาไม่ต้องหาเป็นคุณสมบัติประจำมีอยู่กับตัว 2. เป็นสุขอิสระไม่ต้องพึ่งพาไม่ขึ้นต่ออะไรๆเช่นไม่อาศัยสิ่งเสพ 3. เป็นสุขล้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีทุกข์แฝงหรือค้างคาเหลืออยู่เลยเพื่อให้คล่องปากอาจพูดเปลี่ยนลำดับว่าสุขอิสระสุขล้วนสุขตลอดเวลาข้อแรก ความสุขอย่างสูงสุดนั้นมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะเป็นคุณสมบัติของชีวิตไปแล้วเป็นของประจำตัวเมื่อมีอยู่ข้างในของตัวเองมีอยู่กับตัวแล้วก็ไม่ต้องหาเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปไหนจะจาริกรอนแรงไปกลางป่าบนเขามีคนหรือไม่มีใครอย่างไรก็มีความสุขเพราะความสุขเป็นคุณสมบัติอยู่ข้างใน ไม่ต้องหาแล้วลักษณะของความสุขอย่างสูงสุด ข, ข้อสองเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาไม่ขึ้นต่ออะไรอะไรเป็นสุขที่อยู่กับตัวเองจึงเป็นอิสระเป็นไทยแก่ตัวตรงข้ามกับการมาสุขที่เป็นสุขแบบพึ่งพาเต็มที่แล้วปัญหาทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาเพราะการที่ต้องพึ่งพากามต้องพึ่งพาวัตถุนี่แหละ กา ม, มาสุขหรือสามิสสุกนั้นเรียกให้สะดวกลิ้นไทยว่าอามิาสุขก็ได้การ ม, มาสุขหรือสามิสสุกเป็นสุขที่ขึ้นต่อสินเสพอาศัยของรักของชอบข้างนอกไม่เป็นอิสระกับตัวเองอย่างรูปรสกลิ่นเสียงของสัมผัสทั้งหลายเราต้องขึ้นกับมันทั้งนั้นคือจะมีสุขได้ก็ต้องพึ่งมันต้องอาศัยมันต้องไปเที่ยวหาเอามา ครอบครองไว้ต้องคอยดูแลให้ดีต้องคุ้มครองป้องกันหวงแหนหนักเหนื่อยกับมันตัวเองก็ไม่เป็นอิสระแล้วก็ทำให้ขัดแย้งกันต้องแย่งชิงกับคนอื่นเป็นเหตุให้เบียดเบียนกันแต่เมื่อเราพัฒนาความสุขที่เป็นอิสระขึ้นมาได้ตัวเองก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแล้วก็ไม่ต้องแย่งชิงเบียดเบียนกัน ลักษณะของความสุขอย่างสูงสุด ข, ข้อสเป็นความสุขที่สมบูรณ์ลักษณะที่สมบูรณ์ก็คือไม่มีทุกแฝงไม่มีอะไรรบกวนหรือค้างคาระคายคนในโลกจํานวนมากบอกว่าเขามีความสุขแต่ลึกลงไปยังมีทุกหรือมีเหตุแห่งทุกแฝงอยู่เช่นมีกังวลหวั่นใจหวาดระแวง ห่วงค้างาาคาระขายใจบ้างก็มีอาการเหงาหงอยอ้างว้างว้าเวบอกว่ามีความสุขแต่เสวยสุขเหล่านั้นไม่โลง่งไม่โปรง่งไม่ได้สุขเต็มที่ทีนี้พอหมดเหตุแห่งทุกข์ในตัวแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีทุกข์อะไรจะเหลือจะแฝงที่จะมารบกวนระขายใจ จะเสวยสุขอื่นอะไรก็ได้ความสุขนั้นเต็มที่เป็นความสุขอยู่แล้วในตัวด้วยและทําให้พร้อมที่จะเสวยสุขอย่างอื่นอย่างเต็มอิ่มด้วยเหมือนอย่างพระอรหันต์ซึ่งมีความสุขประเภทสมบูรณ์นี้อย่างที่ว่ามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นคุณสมบัติอยู่ในตัวทั้งที่สุขอยู่แล้วนี้พร้อมกันนั้นท่านก็เสวยความสุขอย่างอื่นด้วยตามปรารถนา และได้ความสุขจากภาวะแห่งความสุขอันนั้นเต็มที่ดังเช่นพระอรหันต์อยู่ว่างๆไม่มีกิจอะไรจะพึงทำท่านก็เข้าฌานสี่สเสวียฌานสุขเรียกว่าเอาฌานสี่เป็นทิฏธรรมสุขวิหารแปลว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและในเวลาที่สเสวยฌานสุขนั้นท่านก็สุขเต็มที่จากฌาน เพราะไม่มีอะไรแฝงระคายในใจต่างจากพวกมนุษย์ปุถุชนที่ยังมีเชื้อแห่งทุกแฝงอยู่ในใจถึงได้ฌานเข้าฌานอะไรก็ยังมีเชื้อทุกแฝงอยู่ข้างในไม่โล่งไม่โปร่งแท้นี่แหละเป็นความแตกต่างอันหนึ่งย้ำอีกทีว่าสุขสูงสุดนี้ทั้งสมบูรณ์เป็นความสุขในตัวด้วย และทำให้มีความพร้อมที่จะเสวยสุขอื่นได้เต็มที่ด้วยเมื่อเป็นผู้พร้อมอย่างนี้แล้วจะเสวยสุขอะไรก็ได้ลองดูในมาคันทิยะสูตรที่เกิดพูดถึงมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเราไม่บรรลุสุขที่สูงอันประนีตนี้เราก็รับประกันตัวไม่ได้ว่าเราจะไม่หวนกลับมาหากามาสุข แต่เพราะเราได้เข้าถึงความสุขที่ประณีตนี้แล้วก็เลยไม่มีความคิดที่จะเสพเสวยกรรมสุขนั้นนี่คืออย่างไรถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับผู้ใหญ่มาเห็นเด็กเล่นขายของก็ไม่รู้สึกลงมาว่าทําอย่างนั้นจะมีความสุขที่ไม่เสวยสุขนั้นไม่ใช่เพราะว่าทําไม่ได้แต่เพราะมีความสุขที่ยิ่งกว่านั้นเลยไปแล้ว จิตใจก็เป็นไปเองมันเป็นพัฒนาการในทางความสุขตามภาวะของจิตใจที่จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ท่านมีความพร้อมที่จะเสวยสุขได้เต็มที่อย่างไม่มีอะไรค้างคาระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นจึงเป็นสุขที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ก็เลยเท่ากับสรุปอีกทีหนึ่งว่าทั้งสุขตลอดเวลาเพราะว่ามีสุขประจำอยู่ในตัว และจะเสวยสุขอะไรอีกก็ได้แล้วแต่ปรารถนาได้เต็มที่เพียงแต่ว่าถ้าจะไม่เสวยสุขอย่างไหนก็เพราะพ้นเลยความปรารถนาและมีสุขอย่างอื่นที่จะเลือกซึ่งเหนือกว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการทางความสุขที่จะเป็นไปอย่างนั้นเอง